ขอความสุขความเตรรญยังมีด้วท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนอเจอตโวขีละสูรในช่วงที่สลัดทำลายทั้งตะปูตรึงจิตและเครื่องผูกพันจิตโดยหลัก ในความเป็นจริงแล้วก็คือการพลิกจิตกลับมาอยู่ในฝ่ายของกุศลนั่นเองคือถ้าเรามองโครงสร้างของการปฏิบัติมันก็ทํานองเดียวกับมงคลสูตรมงคลสูตรเป็นการพูดเป็นรูปธรรมคือไม่คบคนพ่านให้ครบบัณฑิตคือหมายความมาตั้งเริ่มต้นที่คบคนพ่านปัญหาต่างๆจะติดตามมาเป็นแถวจนถึงกับตกนรก เวจีมหานรกก็ได้อย่างคล้ายๆบริษัทบริวารของพระเทวทัตเป็นนั้นมากที่ตกนรกเวจีไปเอ่อสาเหตุสืบเนื่องมาจากการคบคนผ่านทีนี้มันก็พลิกกลับมาในด้านคบบัณฑิตแล้วค บ, บัณฑิตคนก็จะเดินบนเส้นทางของความเจริญจนถึงสูงสุด ก็ได้แก่พุทธบริษัททั้งหลายที่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ามีพระเจ้าเป็นกัลยาณมิตรก็ดำเนินชีวิตไปบนวิถีแห่งพุทธธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนและทรงปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างคนเหล่านั้นก็ดำเนินไปสู่เส้นทางแห่งความเจริญจนถึงบรลุมกุล น, นิพพานเป็นรหาหันไป ในขนาเดียวกันคนที่มีขีดความสามารถลดหลั่นกันลงมาก็ได้สัมผัสผลที่เราเรียกว่าสมบัติหรือความถึงพร้อมหรือความสมบูรณ์ระดับมนุษย์ระดับสวรรค์แล้วก็ระดับมากกว่นิพานที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพานสมบัติเราเห็นว่าโครงสร้างของพระธรรมเทศนาก็มีอยู่ลักษณะอย่างนี้ สรุปแล้วก็คือการเว้นบาปบำเพ็ญบุญนั่นเองการที่จิตมนุษย์ถูกตรึงไว้ด้วยตะปูทั้งห้าดอกคือความเคลือบแครงสงสัยในรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขาและก็มักโกรธจิตมันก็ตกต่ำไปเรื่อยๆแล้วก็ถูกตรึงแน่นไว้ด้วยความรู้สึกอย่างเนี้ยคือาสตรใดที่ท่านยังคงใจสงสัยไม่แน่ใจอยู่ สภาพจิตก็หยุดนิ่งไม่สามารถเขยื่อนเข้าไปสู่กระแสของกุศลธรรมได้โดยลําดับหรือแม้แต่แม้แต่ตกไปในกระแสของอกุศลธรรมเพราะว่ามันตกตรึงไว้ทีนี้เครื่องผูกพันใจมันก็มีลักษณะอย่างนีน้เราเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วเครื่องผูกพันใจมันก็คือวัตถุกรรมก็คือเลสกรรม ก็คืออารมณ์โลกพูดจริงๆก็คือขันห้าซึ่งก็ทรงสแสดงมาตั้งแต่ต้นในช่วงแรกก็ได้รับสั่งถึงความกำหนัดความพอใจความติดใจในเรื่องของกามทั้งหลาย จากนั้นมาก็ทรงเปลี่ยนแปลงมาเป็นราชจากความกำนักความพอใจความติดใจเรื่อยมาในร่างกายแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเป็นเรื่องของลูกซึ่งหมายความว่าพวกร่างกายก็ดีพวกรกามก็ดีพวกรูกก็ดีมันก็คือวัตถุกรรมแ่ซึ่งในแง่ของความเป็นจริงเขาก็เป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย ว่าเราสามารถจะกำหนดจะให้เกิดความกำหนัดก็ได้ขายความกำหนัดก็ได้มันก็อยู่ที่พลังใจของเราว่าเรามีสติปัญญามันความเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนเพียงไรค น, คนที่บรรลุผลเป็นพระหันก็คือคนที่มาจากครอบครัวของชาวบ้านคนที่ตกนรกอเวจีก็มาจากครอบครัวของชาวบ้านคือไม่ได้มาจากไหน แต่ว่าตัวการสำคัญอยู่ที่ท่านเลือกทางเดินให้กับชีวิตของท่านโดยใช้เหตุผลสติปัญญาพิจารณาหินโทษโดยความเป็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็พยายามที่จะถ่ายถอนผ่อนคลายมันโดยต่งตางๆวนก่อนก็ได้พูดมาจนถึงถึงรูปนะนะแล้วข้อความโครงสร้างนี่จะเหมือนกัน เรีนแต่ว่าในช่วงนี้พูดถึงความคลายกำนัดเป็นต้นไปรับสั่งว่าลูกกรพิษูจ์ทั้งหลายประการหนึ่งพิสูุเป็นผู้ปราศจากความกำนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานในรูปคือรูปเนี่ยในความหมายตรงนี้เราจะเห็นว่าในตอนแรกก็พูดถึงการ าการรมนั้นก็คือวัตถุกรรมแล้วก็กิเลสการมกิเลสเป็นเหตุใกล้ๆวัตถุกรรมเนี่ยคือสิ่งที่คนไปกําหนดว่าน่าใครในความเป็นจริงแล้วตัววัตถุกรรมมันก็คืออารมณ์โลกก็คือรูปเสียงสิริรสผลประภะดีใจเราไปกําหนดว่าน่าใครนะ่าปรารถนาน่าพอใจแต่ที น, นี้พอมาถึงร่างกายเนี่ยมันก็หมายถึงร่างกายของเรา เป็นตัวการสาคัญคือความหมกมุ่นอยู่ในกายของตัวเองทีนี้พอจิตท่านคลายความกำหนัดพอคลายความกำหนัดก็คลายความพอใจคลายความพอใจก็คลายความรักคลายความรักก็คลายความกระหายเพราะอาการเหล่านี้ที่จริงเป็นการแสดงลักษณะหรืออาการของจิตที่มีความกำหนัดในความกำหนัดอ่ะมันก็อยู่ที่ความเข้มข้นหรมันสูงหรือมันต่ำยังไง แล้วก็ ส, งส่งใช้คำที่เ ร, เรียกว่าเป็นวัยพจทธกันแต่ยลืมมาทั้งหมดเนี่ยมันก็หมายถึงว่าจิตที่มันคลายความรู้สึกด้วยอำนาจของตัณหาราคะในกายตนเองเาจารย์ไดบอกท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าองค์ธรรมเนี่ยถ้าจำนวนมากเนี่ยกรอบก็จะแคบแต่ถ้าจำนวนน้อยเนี่ยกรอบก็จะกว้าง พระพุทธศานาจึงสามารถสรุปคําสอนไว้ด้วยข้อความสั้นๆก็ได้แต่เช่นความไม่ประมาทอย่างความมีสติความไม่ประมาทปัญญาใจศิรขาการไม่ทําบาปทั้งปวงการทรํากุศลให้สมบูรณ์การนําจิตให้ผ่องแผ้วเนี่ยที่จริงก็สมบูรณ์บริบูรณ์ละแต่นอกนั้นมันจะสืบเนื่องไปจากกุศลธรรมเหล่านั้น เราั้งนองคล้ายๆกับ น, น้ำมันก็ไหลมันก็กระจายไปเรื่อยๆแต่ก็มีจุดเริ่มต้นของมันคือต้องมีน้ำให้ไหลมาเรื่อยๆกุศลธรรมมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นภายในจิตแล้วก็ปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นมัน ก, ก็ไหลไปเข้าสู่กระแสของกุศลในด้านาต่างๆแกุศลก็จะคลายไปในแต่ละจุดแต่ละจุด ทีนี้ในกรณีนี้สรงทรงทร ง, งแยกเป็นห้าอย่างถ้าเรามองถึงห้าอย่างเนี่ยอย่างในกรณีของความโกรธซึ่งก็หมายความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและตรงนั้นแหละที่จริงเนี่ยโอกาสเรากำหนวดว่าหน้าใคร่น้าปรารถนานะาพอใจมันก็กิเลสสายนี้ก็เกิดสายโลภะก็เกิดเราไปกำหนดใหม่ เราไม่น่าคลายไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเรากําหนดด้วยปัญญาด้วยกําหนดด้วยโทสะแล้วกําหนดด้วยโทสะเราก็เกลีย ด, ดกำหนดกำหนดด้วยปัญญาเราก็ถ่ายถอนผ่อนคลายความรู้สึกเหล่านั้นเราทำให้กิเลสประเภทโทสะมันก็ลดเมื่อโทสะลดเนี่ยพวกราคะก็จะลดตามไปเราลองสังเกตว่าระวังความรักกับความชังเนี่ย มันจะขึ้นลดด้วยกันหมายความว่าคนใดที่เรารักมากแล้วทําทให้เราโกรธเนี่ยเราจะโกรธมากคนใดเรารักน้อยถ้าเขาทําให้เราผิดหวงังเนี่ยเราจะเสียใจน้อยเราก็เห็นสภาพการขึ้นลงของจิตในตามกระแสเขาเรียกว่าเจตสิกนะคือกุศลและกุศลที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิต ผลมาข้อที่สามเนี่ยเพียงเปลี่ยนเป็นรูปเรนนีรูปเนี่ยที่จริงมันก็อยู่ในในพวกกลางแล้วคืออยู่ในกลุ่มวัตถุ ก, กางครับเมื่อเป็นเชรนนี้ตรงนี้ก็เน้นเฉพาะรูปที่เราเห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นที่บอกว่าวัตถุกลามทั้งห้าเนี่ยมันเป็นรูปทั้งหมดคือทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐพัทธ์เนี่ยจริงมันเป็นรูปทั้งหมดหรือแม้แต่ตาหูจมงงูกริมกายของเราก็เป็นรูปทั้งหมด รูปในที่นี้ก็คือรูปที่จิตไปกําหนดด้วยความกําหนัดมันก็เกิดความกําหนัดแล้วก็กลายเป็นเครื่องผูกพันใจแต่พอกำหนดใหม่โดยการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของรูปหล่านั้นจะมองในแง่มุมใดก็ได้นะมองในแง่มุมของความเป็นของเป็นทุกเป็นเรื่องจะต้องแบกเป็นเรื่องจะต้องบริหารเป็นภาระเป็นความผูกพัน แล้วก็ทําให้จิตไปเกี่ยวขกาะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นสูญเสียความอิสระเพราะนั้นเราจะเห็นว่าจิตมันจะเริ่มซึ้งงบมาตั้งแต่โนั้นแหละตั้งแต่เรื่องศีลมาแล้วกิเลสมันจะลดเริ่มศีลเริ่มธรรมะเข้ามาที่สมาธิมันก็ลดมาเรื่อยๆเยลยจนถึงขนาดปราศจากท ร, ท, รทรงชงทรงใช้ตรงนี้ใช้คำว่าปราศจากห พระสจากมันต้องเป็นความสมบูรณ์ของศีลสมาธิปัญญาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยศีลก็สมบูรณ์พรถ้าศีลสมบูรณ์เนี่ยความรุนแรงของกิเลสเนี่ยมันจะถูกกำกับไว้ด้วยระดับของอริยมรรคเพราะงนันอย่างคนอย่างพระโสดาบันเนี่ยจะไม่ผิดศีลห้าเมื่อไม่ผิดศีลห้าท่านก็ปิดประตูนรกได้ แล้วก็ท่านจะไม่ทำกรรมแรงแรงประเภทที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันทำโลหิตุูปบาบัดยุยงให้สงแตกแยกจากการัรหรือไปคารีตน้ำถือศาสนาอื่นเนี่ยท่านท่านจะไม่ไปนั่นก็แสดงว่าจริงๆพวกนี้มันก็คลายมาเยอะครับคลายมาตั้งแต่ศีลคลายมาตั้งแต่ระดับธรรมะคลายมาตั้งแต่ระดับสมาธิมันก็คลายไปเรื่ย que. โดยปริมาณของกุศลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้อกุศลลดความเข้มข้นลงไปโดยลําดับแตในจุดนี้สงใช้คําว่าปราศจากปราศจากทนะุกคํานะภิกษุเป็นผู้ปราศจากความกําหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนแล้วก็ปราศจากความทะเยอทยาน โดยเห็นว่าอาการทะเยอทะยานเนี่ยเป็นอาการของตัณหาอาการของความเล่าร้อนเนี่ยคืออาการของปริลาหะก็มันเกิดขึ้นภายในใจแต่ว่าบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้ถึงระแสดงอาการแต่ถึงระดับทะเยอทะยานแล้วก็แสดงอาการละแสดงอาการขยับทางสันกาย สตาอาจจะสอดสายหูอาจจะเงี่ยหูฟังจิตอาจจะคอยกำหนดแต่ว่ากำหนดโดยความเป็นโทษเพราะว่าปัญหามันคลายความทยอทยานอยากของคลายแต่ถ้าตัวทเยอทยานอยากเนี่ยมันจะสายไปเพื่อตอบสนองความทเยอทยานอยากภายในใจแลกลายเป็นกระบวนการการแสวงหาการได้มาการครอบครองการไปภกใช้สอย แล้วก็ไม่ค่อยจะแจกแบ่งนะฮะพวกนี้จะไม่ค่อยแจกแบ่งเพราะว่ามันเป็นการได้มาตามกระแสตัณหาแล้วพอมาถึงระดับนี้เนี่ยมันมันจะกระจายแะ้วจะเริ่มสึปล่อยวางจะกระจายแล้วจะมีการแยกแยะแล้วอย่างที่ท่านท่านเล่าถึงนกแกะดาวพระโพธิสัตว์ที่ไปกิน เข้าในนาของชาวนาข้าสาลีในนาของชาวนาแล้วก็ข้ า, าติดปนะากาไวนาก็จับได้วตมิว่าเป็นสัตว์ที่โลภจะไปกินนาเป็นไปกินข้าสาลีในนาเขาแคยังเอากลับในรังอีกแกบอกว่าไม่ใช่เอาไปเพื่อส่วนตัวแนส่วนหนึ่งก็คือให้กู้ส่วนหนึ่งก็คือ ฝังไว้ส่วนหนึ่งก็คือใช้นี่ส่วนหนึ่งก็คือทิ้งเหวหมายความมันในกรณีให้กู้นะก็เลี้ยงดูผู้น้อยเลี้ยงดูลูก้าวในกรณีใช้นี่ก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่ในกรณีฝังไว้ก็คือช่วยเหลือเจอจูนนกที่มันแก่ไปหาอาหารไม่ได้คือทําบุญในขณะเดียวกันก็ทิ้งเหวคือกิน ทีนีการที่มีน้ำใจเ อ, อื้ออย่างนี้เราจะเห็นว่าออพ่อแม่ลูกเนี่ยเขายัางช่วแหละแต่ว่าไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยเนี่ยแสดงว่าโลภะลดลงโทสะลดลงโมหะลดลงมันสามารถจำแนกแยกะได้วัตถุที่เราถือครองนั้นเป็นสิ่งที่ต้องตกอยู่ในกฎของปัจจัยลักและเราก็ครอบครองตลอดไปไม่ได้แต่เมื่อเราแปลสภาพมันเป็นบุญเราก็ครอบครองได้ตลอดไป บุญนั้นจะติดตามเราไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปเราจะเห็นว่าปัญญาบางแก่คมมากและคิดได้เมื่อในการทําบุญของอพุทธศาสนิกชนหลายเลยจะเห็นอาการจางคลายนะอาการจางคลายของราคะของโลภะของโทสะของโมหะจางคลายได้ขนาดไหนก็เป็นปัจจตังคือรู้ได้เฉพาะตัวของบุคคลเหล่านั้นเองคนอื่นจะอธิบายแทนไม่ได้หรอก เพรเมื่อจิตมันเป็นเช่นเนี้กระรับสั่งว่าถ้าจิตเป็นเช่นนี้คือปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยาในรูปนั้นมันใล้คล้ายกับอะไรล่ะคล้ายๆกับเราได้สัมผัสรสชาติของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะกินต่อไป แต่ว่าในกรณีเนี้ยมันมันเป็นธรรมรสเป็นความดื่มดมเป็นความซาบซึ้งของธรรมรสก็ต้องการสัมผัสลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นกระบวนการทางจิตมันจะเข้าไปสู่ประแสของพวกอินทรีย์พวกพละพวกอิทธิบาทพวกสติปัฏฐานนอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออิทธิบาทเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับองค์ธรรมที่มีชื่อต่างๆอีกเป็นนั้นมาก คือบนนี้จริงก็ใช้ได้ทั้งบมกทั้งลบนะฮะในกรณีที่เราต้องการจะล่อหลอกเอาคนเข้ามาคนสัตว์ก็ตามนะฮะมาอยู่ในเงมือของเราเนะี่ยเราก็ใช้เหยื่อในลักษณะนี้ได้เหมือนกันเช่นการดักสัตว์หรือที่เขาเล่าถึงพระโพธิสัตว์เป็นกวางแล้วคนก็ต้องการจะจับ เนวางทองคนต้องการมันคือสีมือสีทองสวยงามคนต้องการจะจับเขาก็ใช้ล่อโดยวิธีเอาน้ําพึ่งไปทาไว้บนใบหญ้าใบไม้ที่วางกินน่ะไม่กินหวานจิตใจก็เลินกินกันไปเรื่อยเจนลืมดูว่าตัวเองเนี่ยเดินเข้าไปในรั้วที่พะลอมไว้และในสุดก็ถูกจับได้เพื่อนเราจะเห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ย ไอตัววัตุกรรมมันก็อยู่ที่ตัว ก, กลางๆลางคืหมายความว่าเราใช้เป็นอารมณ์เพื่อให้เกิดจางคลายของกิเลสจนมารุ่งแม่ผลนิพพานเราก็ใช้วัตถุกรรมนะเราไม่เอาอะไรมาจากไหนแล้วมันก็ตัววัตุกรรมอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยลองสังเกตอารมณ์ก็สมรรถก็ดีวิปัสสนาก็ดีมันก็ไม่ ม, ม, ม, มีอื่นไปจากวัตุกรรมเราเป็นไว้แต่พวกนามธรรมานะเช่นอนุสติเช่นพุทธานุสติเนี่ย ว่าพรมิหารสี่มันก็เป็นธรรมะในกุศลธรรมที่นี้พวกอสุภกรรมฐานก็ดีนะพวกกายกตาสติพวกอะไรเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัสสนาเนี่ยเวทนานุปัสสนาสติปัสสานนะแต่ละอย่างที่จริงก็คือวัตถุ ก, กรรมบ้างนะกิเลสกรรมบ้างแต่ว่าปัญญาจะเป็นตัวกำหนดมาก ถ้าปัญญาเรามีไม่พอเนี่ยยังไงเนี่ยมันจะเกิดกำหนัดเพลเพลในตัววัตถุเ่านั้นอย่างในกรณีนี้ก็คือในรูปที่ตนกำหนัดเพืเพลและมันจะมีการเหนี่ยวรังจิตของคนเอาไว้ให้สยบจิตอยู่กับรูปเรานั้นว่ามือขนาดพระโพธิสัตว์นี่ยังสยกจิตนะไมนจะเกิดอาการละลาละลาละหลัง อย่างคราวหนึ่งพระโพธิสัตว์ต้องการจะบวชพัญญาก็ขอขอให้มีคันก่อนเพื่อจะมีลูกไ้สืบสบกุลก็พอพัญญามีคันก็ขอให้คลอดก่อนแล้วคลอดก่อนก็ขอให้ลูกโตก่อนในขณะเดียว ก, กันเธอก็มีวิธีย่วยวนให้สามีไปร่วมมืพิรมกับเธอจนเกิดลูกถึงสามคน ว่าจะสลัดหลุดได้เนี่ยผูกมัดไว้ถึงสามลูกถึงสามคนไปแก่ญาติโลกกนิ้กล่าวไว้เนี่ยว่ามีบุตรบ่วงหนึ่งเที่ยวพันคอซับผูกบาตรครอหน่วงไว้พันยายเยี่ยงบ่วงบ่วงปอรึงรักมือ่นะสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารวรรูปเนี่ยมันมันเป็นตัวชุดรั้งจิตใจของบุคคล ให้กำลังเพื่อเ พ, อเพลินเระึงหลงไปกับอารมณ์ตนั้นยันได้เคยเล่าราชกุมารกับบุตรอมตะหกคนที่เดินทางไปเพื่อรับราชสมบัติที่กรุงตักกศิลาบุตรก็มาถ้าคนเนี่ยถูกยักษ์ที่มีส ก, กัดกินหมดเลยลอได้รูปสวยๆลอดในเสียงไพเราะรอดในกลิ่นหอมๆล อ, อดในรสอร่อยลอดในสัมผัสที่น่าจับจ้อง ปัญหานี้มันเป็นปนัญหาใหญ่ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งสังคมเนี่ยพยายามที่จะไล่ล่ามนุษย์ให้เป็นเหยื่อตัวเองแล้วก็ตอบสนองสแสวงหาสินค้าซื้อหาสินค้าที่ตัวเองผิดขึ้นแข่งขันกันวันี้จะเจริญเติบโตเร็วมากกรานั้าเกตว่าพวกธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายเนี่ยที่จริงก็ขายรูปเสียงกีดรสสัมผัสเนี่ยแหละ อย่าลืมว่ามันจะทิ้งช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนสูงขึ้นเพราะคนจนก็คือเหยื่อที่ถูกล่าแล้วก็คนองค์กรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นเป็นผู้ล่าแล้ว ถ, ถามเข้าอะไรมาล่อก็คือรูปมาล่อลเราสังเกตอะคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสที่ก็มาล่อ เพนปัญญาจึงต้องพิจารณาจนคลายความกำหนัด ก, ก็จิตมันจะเดินคือจะน้อมเข้าไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสให้เร่าร้อนความเพียรในที่นี้ก็คือสมาบัญญมติเป็นความเพียรในทางที่ชอบเพราะถ้าเพียรผิดอ ก, กิเลสมันเพิ่มนะฮะลองเพียรในทางที่ชอบกิเลสจึงจะลดได้ตรงนี้เมื่อไร่ก็เมื่อนั้น หมายความว่าปัญญาสติสัมปชัญญะจะต้องมองสอดสองถึงปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่เกิดแล้วก็รีบป้องกันในขณะเดียวกันก็ต้องชัดเจนสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองผูพันธ์อยู่เนี่ยว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษมันเป็นตัวเหนี่ยวรั้งหรือเป็นตัวส่งเสริมสนับสนุน จะต้องชัดเจนแล้วก็มองเห็นโทษโดยความเป็นโทษชัดเจนแล้วก็พยายามสลัดออกในส่วนที่เป็นคุณก็ต้องชัดเจนมันเห็นมันมีอนาคตของมันน่ะเราจะทําความดีอะไรก็ตามเราจะความชั่วก็เหมือนกันนะที่จริงเราก็เห็นอนาคตเพียงแต่ว่าคนไม่เคยมองไปไกลคนทําชั่วจะไม่มองไกลฉันบอกว่าบางทบางีบางครั้งบางครงควาวก็คิดแบบ ง, ง่ายๆนะ่ะชั่วเมืองผีค่อยดีเมืองคนก็แล้วกัน ไม่สนใจชีวิตหลังตายเพราะว่าแกบอกว่าแกก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวแกเลยนะทำไมจะต้องสนใจทำไมหาความสุขความสบายเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเพราะ้กระแสความคิดเหล่านี้ที่จริงก็สร้างความมหยนะให้แก่โลกมาทุกยุคทุกสมัยแหละทำให้มหาอาาจักมากลายเป็นป่าไปเยอะแยะในประวัติศาสตร์ แล้วถ้าเรามองย้อนไปวิเคราะห์ถึงเหตุที่ให้บ้านเมืองเหล่านั้นกลายเป็นป่าในตอนหลังนี่มีเถือแท้ซากปรักาักพังเมันก็เกิดมาจากโลภะเกิดมาจากปัญหาเกิดมาจากมานะภายในใจมนุษย์นั่นเองท่านปัญญาตรงนี้จึงต้องคมแล้วก็มีากจะมีการเพิ่มกุศลพอกุศลมันก็สัมผัสสัมผัสรถแห่งธรรมะคือลิ้มรถแห่งธรรมะในความ พยายามก็จะต่อเนื่องเพื่อสัมผัสลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นโดยลาดับแล้วในสุดก็ประกอบอยู่เสมอประกอบกระทำอยู่เสมอตรงนี้พระเจ้าจะใช้ในที่ต่างๆสรงใช้กำว่าอบรมกระทาให้มากกระทาบ่อยๆกระทาให้เป็นญาณภาณนะเป็นเครื่องอาศัยของจิตคือเป็นตัวที่นำจิตไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเพียงก็จะตั้งมั่น เวละทรงอธิบายในสมาวิยะมะเนี่ยโครงสร้างรูปประโยคนึงจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเป็นการป้องกันเป็นการข จ, จัดเป็นการบำรุงเป็นการรักษาเท่านั้นเนองถึงใช้คําว่าปลูกฝังความพอใจแล้วก็ใช้ความพยายามมีการกระทําความเพียรอย่างต่อเนื่องอะ <c oughs> ละได้เท่าไหร่ป้องกันได้เท่าไหร่หรือทําความดีได้เท่าไหร่ก็รักษาจิตไว้ในตรงนั้น เวาลาการปฏิบัติที่จริงมันก็เหมือนเรื่องอื่นมันก็เดินทางเนี่ยถ้าเดินไปแล้วก็ไปถอยหลังอย่างเงี้ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องถึงกันหรอกเวลาการปฏิบัติธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นคือมีการก้าวไปข้างหน้าฉะนั้นใช้คำว่าอนิวัติปฏิปทาคือปฏิบัติที่ไม่ถอยหลังถ้าถอยหลังไม่มีโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางมันก็ก้าวไปเท่าที่ก้าวได้ วันในกรณีที่รุกไม่ได้ก็รักษาที่ตั้งเอาไว้ยายขั้นสึกรุกแล้วก็บ้างๆก็ค่อยรุกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถผเด็จั้นสึกคือกิเลสออกไปจากจิตได้เหมือนการเพิ่มปริมาณของความดีเนี่ยความดีก็จะทำหน้าที่ลดความชั่วลงไปั้งจุดหนึ่งจิต ก, ก็จะมีปริมาณความดีสูงขึ้น พอถึงจุดหนึ่งความเพียรของท่านก็ตั้งมัน่นทั้งกลางคืนและกลางวานันกลายเป็นภาวะของผู้รู้ผู้ตื่นที่ท่านแสดงคุณลักษณะของพุทธสาวกเอาไว้ว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นแล้วก็ตื่นอยู่ดี้แล้วก็ตื่นอยู่ทุกเมื่อทั้งกลางคืนและกลางวานันหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยมีสติกำกับหรืออยู่ด้วยความไม่ประมาทพูดไงว่าไม่ประมาทก็ได้นะอยู่ด้วยสติก็ได้สัมปชัญญะก็ได้ เบอรนีน่าน่าชื่นชมอยู่บางครั้งบางการเราฟังเด็กอะไรเขาพูดออกวิทยุบางโทรทัศน์บางามีเป็นนั้นมากที่เหตุผลสติปัญญาในการคิดการมองของเธอนี่ดีมากก็ทำให้หวังว่ า, าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าได้มีการศึกษาได้มีการาประชุมกันแล้วก็ฟังก็ให้เขาแสดงความคิดความเห็น โตแย้งอะไรต่างๆก็ได้เพราะเวลานี้เราจะใช้สื่อทางเดียวเนี่ยที่จริงไม่ค่อยดีเท่าไรเพราะเขาคขงใจสงสัยอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาเขาก็ไม่มีโอกาสจะถามยังรคล้ๆรายการวันจันทร์เนี่ยแ้เราสังเกตเสียงนะว่าคนบางคนก็ถามซ้ำแล้วก็มีคนที่ไม่ซ้ำอยู่ มีคนแป ล, ก, ปลกใหม่หมๆเกิดขึ้นข้ออะไรที่เขาคล้องใจสงสัยมีกี่ประเด็นก็ถามมาก็อตอบให้แล้วเขาก็ตัดสินใจเลือกเอาเองทีนี้อะไรก็ตามที่เขาตัดสินใจแล้วก็เกิดความพอใจแล้วเ น, นี่เราจะรู้ว่าอิคิบาจะเดินชั้นท้าวิทยาจิตไตมังสาจริงๆนี่มังสาเป็นตัวพิจารณาข้อมูลข่าวสารต่างๆก่อน ความพอใจก็จะเกิดขึ้นเวนทุกขั้นตอนในเราจะเห็นว่าอุบางสาจะกํากับในตัวความพอใจในตัวของความเพียรในตัวของความมุ่งมั่นแล้วก็กํากับอยู่ข้างหลังเพราะธรรมะปฏิบัติเนี่ยถ้าเราลองสังเกตเนะครับว่าองค์ธรรมคือปัญญาเนี่ยจะอยู่ข้างหลังตลอดยาวๆเสร็จแล้วก็จะไปเจอปัญญาอยู่ข้างหลังเพราะอะไรเพราะปัญญาจะเป็นตัวนําและตัวกํากับตลอด ผลเส้นทางเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าชีวิตอยู่ด้วยปัญญาทีนี้เมื่อเราพูดถึงปัญญาแล้วสติก็คือจะเกิดร่วมกับปัญญาจะทําทงานประสานกันตามปกติเราก็เรียกว่าระลึกรู้แล้วก็รับสั่งว่าชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สามที่ภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วประการต่อไปก็สงใช้ข้อความเหมือนเดิม ว่าภิกษุไม่บริโภคอิ่มพอความประสงค์แล้วไม่ประกอบความสุขในการนอนคือนี้ก็คือพูดถึงสาเหตุของความเกลียดค้างเรื่งรองเกลียดค้านของมนุษย์เนี่ยก็เรียกว่าค้านค้านกายค้านใจมันมีองค์ประกอบทั้งจากข้างในเลยครบนากบางคนก็เป็นลักษณะนิสัยจนเรียกว่าบางทีก็เป็นจิตตรดานคือขี้ครานเป็นปกติ คนเหล่านี้พูดอะไรกับเขาก็ยากกันนะในอย่างหนึ่งก็คือเขาบริโภคอาหารมากแล้วก็ทําให้อืดแล้วก็ไปเห็นแก่นอนเห็นแก่ความเครื่อนหลับมันก็ปิดสุขจากการนอนการเคลื่อนหลับเรื่องขัาข้าขัาน้ขนกายขั้นใจอาการอย่าหนึ่งเราจะเห็นว่ามันก็คือโปกตินิมิตะจะนําไปสู่ ไปสู่อาการกรี น, นมิธาคือจิตใจมันหดหู่เครื่อเพิ่มมือลอยอะไรตไร่างๆเพราะถ้าเราปรับสภาพตัวเองไม่บริโภคอาหารเพื่อความมาเร็ดรอยเพื่อความอ้วนความชีความสนุสนานเพื่อแสดงสถานะแต่มุ่งถึงความสาเร็จประโยชน์ในการบริโภคอาหาร ทำใหมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าความพร้อมทางกายแล้วก็พร้อมทางใจอจิตมันใช้งานได้นะเขาเรียกว่าจิตมันเป็นกรรมนันตยาที่ใช้งานได้ให้เราสังเกตว่าถ้าเราไม่ง่วงนอนเนี่ยเราอ่านหนังสือเราทํางานเราทําอะไรเราทําได้แต่ถ้าคนหนักไปทางเกียกรครานมันก็อดที่จะซึมซึมไม่ได้มันก็ทรงแสดงว่า จิตของภิกษุผู้ไม่บริโภคอิ่มพอความประสงค์แล้วไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเน่การเอนความสุขในการหลับอยู่จ่ยอมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเหมือนเดิมนล้วพวกนี้มันเป็นอุปสรรคใหญ่เรออาเห็นว่าสังคมบริโภคเนี่ยมันจะเหนียวรังจิตมนุษย์เอาไว้ อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงกับมสุ ข, ขัาริการโยกเนี่ยคือสังคมบริโภคให้ลองสังเกตฮะว่านันอยู่รังจิตที่ทรงแสดงโทษสี่ห้าข้อแน่ น, นอนเป็นการแสดงแก่แกนักบวชซึ่งชาวบ้านเองก็เหมือนกันถ้าหมกมุ่นมากเกินไปก็รอดยากแล้วก็ทรงแสดงว่าเนืองเป็นของพื้นพื้นดำดำเรียกหินาคือของพื้นพื้นดำดำ นสาทานนะั้นทั่วไปแก่สัตว์ทั้งหลายคือการกินนอนกลัวแล้วไปเรื่องชาวบ้านเนี่ยจะต้องตั้งบ้านตั้งเรือนสร้างหลักสร้างฐานต่างๆมีครอบมีครัวทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็กิเลสมันก็ต้องมากพอสมคว ร, รเรียกปุถุชนิโกคือเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสเยอะต้องมากนะเราเห็นว่าถ้ากิเลสมันจางคลายเนี่ยจะไม่มีการครอบไม่ ไม่มีการคลองเรือนไม่มีการแต่งงานนะคล้ายๆกับเริ่มจากพระสกตาคามีไปเนี่ยจะเห็นว่าไม่เคยพบประวัติว่าพระสกตาคามีมีครอบครัวแต่ว่าในเอกสารต่างๆที่พูดถึงสภาวจิตเแสดงว่าก็ยังมีได้นะเพราะว่าราคายัางไม่หมดแต่พถึงระนาคามีเราเห็นชัดเจนนะว่า พอถึงกิเลสมันจางไประดับหนึ่งนี่มันจะเลิกเรื่องเหล่านี้โดยสภาพจิตที่มันยกขึ้นอยู่เหนือกามารุมทั้งหลายมันก็ก็สักแต่ว่ากามสักแต่ว่ากายสักแต่ว่ารูปอาหารมันก็เป็นรูปนะฮะจะเห็นว่าอาหารก็เป็นรูปเช่เนนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็ เป็นทั้งรูปนะเป็นทั้งกลิ่นแล้วก็บางทีก็เป็นทั้งเสียงเป็นแม่กรอบอะไรแต่อะไรต่างๆที่เราต้องการเนี่ยมักม็มีอะไรก็คือวัตถุ ก, กรรมได้เองทีนี้เมื่อสภาพจิตท่านพร้อมเนี่ยจิตก็จะน้อมไปหาความสงบบนเส้นทางของความพยายามก็จะตัดเครื่องผูกพันใจเหล่านี้ออกไปและการต่อไปนั้นก็คือ การประพฤติพุมมัจจรที่จริงแล้วก็เน้นที่พระนะฮะไม่ได้เน้นที่โยมหรอกตรงเนี้ยเอ่อพระโยมอย่างไงเนี่ยมันไปคิดอยากไอสาภาพไปล้อมที่ตัวมีแต่ต้องการประนีตขึ้นนะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าการทำความดีส่วนใหญ่ของชาวบ้านเนี่ยมันมุ่งไปที่สวรรค์เอ่อพรมก็คนไม่เคยชอบทะารหรอกเพราะว่ามันไม่สนุกอะ พระโพรมันเป็นเรื่องของความสงบมันเป็นเรื่องของการสยบ ก, กิเลสเอาไว้นะไม่มีการเสด็จกามอย่างพู้เทวดาเพราะนตามตามปกติคนก็ชอบตอนนัวนี้แต่ที น, นี้ถ้าเป็นพระไอ้พระพฤติภูมิจันทร์อย่างนั้นโดยความมุ่งหมายอย่างนั้นเนี่ยเราเช็นว่ามันเป็นราคามันเป็นโลภะมันก็ทําให้เกิดท่องในสังสารวัฏ แต่ก่อนเนี่ยคําขอบรรพชาสมมุรณโบราณนะนะแต่แสดงถึงเจียรติจำนวนในการบวชว่ามุ่งกระทำไปนี่ผ่านให้แจ้งทีนี้ตอนสําเร็จประมาณสำนักเจ้าทรงเรียบเรียงใหม่เนี่ยทรงเห็นว่ามันมันโมมากไปหน่อยอยู่ไม่จําเป็นจะต้องบอกหรอกว่าทาก็ทำไปแต่ไวปตั้งไว้ตรงนั้นแล้วผลสุดท้ายไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยก็เหมือนกับโกหกเป็นภารกิจอีกหนึ่ง อะไรพระท่านบอกอนุสาสดไว้ด้วยตจสิกขาใจสิกขาพอสมบูรณ์มันก็ทําให้พ่านได้แจ้งแม้แต่ศีลสมบูรณ์ก็เข้าประตูะนิพพานแล้วมันไม่จําเป็นต้องบอกเพราะนั้นเราจะเห็นว่าแนวการขอบรรพชาปสมบูรมีสงแนวพระอุกาสานี่จะบอกแต่ในเอสาหังนี่จะไม่บอกแต่จริงแล้วก็เดินไปบนเส้นทางของใจสิกขาได้แก่ในที่นี้ก็รับสั่งแสดงว่า พิสุไม่ประพฤติพรหมจรรย์รัตนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจะได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้ด้วยข้อวัดอันนี้ด้วยตบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้ดูคนพิสูุ์ทั้งหลายจิตของพิสุผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ปรารถนาเป็นเทพนิกายอันหนึ่งหรือว่าเทพเจ้า หรือว่าเทพองค์งค์หนึ่งเนี่ย จ, จะมุ่งสูงขนาดนั้นมุ่งไปสู่ความส ง, งบระดับพรหมหรือว่ามุ่งไปสู่ความส ง, งบระดับนิพพานแล้ถามาญาติโยรารนาอะไรไหมก็ไม่ได้ว่าะลรนะเพราะว่าเป็นโลกียอารมณนะ์นะเป็นอารมณ์โลกถ้าพร ะ, พระเนี่ยท่านไม่ถึงก็ปราบบาป แต่ท่านก็บอกว่าเป็นพรหมจันทร์ที่เศร้าหมองมันเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกรรมดนกรรมไมฉันนะเราสังเกตว่ากรรมไมฉันคือนิวรณนข้อแรกเลยก็แสดงว่าไอ้จะเดินไปสู่ฌานเนี่ยไม่ไม่ได้หลยมันมันไปติดอยู่ที่ตัวกรรมไมฉันกรมไมฉันขวางไว้ยิดมันจะไม่เดินแต่ว่ามันก็เป็นสวรรค์สมบัติได้เป็นมนุษย์สมบัติได้ เพียงแต่ว่าทรงสอนในแนวที่เรียกว่ามีพระอาหารหันต์เป็นยอดอย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้ดังนั้นก็ทรงแสดงข้อความเหมือนกันว่าภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วเครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้ชื่อว่าอันภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วแล้วก็ทรงสรุปทรงสรุปว่าบุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละตะปูตรึงใจ ห้าประการเหล่านี้ได้แล้วถอนเครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้ได้แล้วพิะสูนั้นจกถึงความจเจริญงอกงามไพยบูรในธรรมีในนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แต่จากนั้นก็จะทรงแสดงถึงสภาพจิตที่เข้าสู่อิทธิบาต ท, ทั้งสี่ประการอิธิบาตเวลาเรียกในในพระบาลีาพระสูกดคติพระบิธธรรมก็ดีตามปกติก็ ที่ยกมาในในหนังสือโนโกวาสเนี่ยยกมาจากคำภีวิพัง์จริงข้อความเอะไรนในในพระสูตรก็มีอย่างในเจโตขีรัสูตรเนี่ยท่านจะเรียกว่าฉันทสมาธิปธานะสังขารจเรียกชื่ออย่างนั้นแทนที่จะเรียกว่าฉันทบริยสติสมาธิไม่ใช่บริยะเอฉันทบริยะจิตตะวิบังศาเนี่ยแต่ ว, ว่าที่เรียกอย่างนั้นเพราะต้องการสอนพระใหม่ เอาขนาดนี้ได้ก่อนเพราะว่าเป็นขนาดฉันทะเป็นสมาธิเป็นประธานะนี่เราจะเห็นว่ามันก็คืออะไรล่ะสันทะเป็นสมาสังกัปปะเป็นปัญญาทีนี้เมื่อนาไปสู่วิรยิยะมันก็เป็นวิรยิยะแล้วก็นาไปสู่อะไรล่ะสมาธิก็คือสมาสมาธิประธานะก็คือความเพียร เราต้องลงว่าในในแต่ละข้อเนี่ยมันประกอบด้วยองค์ธรรมทั้งเยอะเลยประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะประกอบด้วยสัมมาวายามะประกอบด้วยสัมมาสติประกอบด้วยสัมมาสมาธิแต่ซึ่งก็ไม่ต้องไปห่วงข้ออื่นก็คือเกิดด้วยกันและในในที่นี้ทรงยกทรงยกเอาอิธิบาทขึ้นมาเป็นหลักพันนันเดนรับสั่งว่า พิสุจนั้นเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารเป็นที่หนึ่งสองสามนะครับว่ า, าไปแล้วก็มีความขมักขะม้นอันนี้เพิ่มขึ้นไปเป็นห้าเป็นห้าก็คือเครื่องมือในการถ่ายถอนตรปูตรึงจิตกับเครื่องมือในการตัดสลัดเครื่องผูกพันจิตในเครื่องมือจริงๆก็คือห้าข้อหมายความว่าขมักขะม่นคือเอาจิงเอาจัง ทุ่เทลงไปจริงๆขมักขมันก็ที่จริงก็เป็นอาการของเวรย่านะครับแต่ว่าจะเกิดขมักขมันเนี่ยมันต้องมีฉันทะมีจิตตะวมมีวิมังสาเพราะถ้าฉันทะหย่อนเนี่ยออะไรก็ตามเราสังเกตถ้าถ้าความพอใจเราหย่อนเนี่ ย, ม, ยมันจะมันจะหย่อนหมดเลยเช่นอ่านหนังสือแล้วเกิดไม่ชอบอ่านขึ้นมาเนี่ยมันเกิดชักงัก ท, งทันทีมันเดินไม่ได้เราะันในที่นี้จึงมีห้าข้อ แ, แต่แทนที่จะพูดอิทธิบาทสี 4, ่ก็เรียกว่าทร ง, ง, งใช้คำว่ามีความขมะขมเล่นเป็นที่ห้าทุกคนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจผู้ประกอบด้วยองค์สิบห้ารวมทั้งความขมะขมเล่นอย่างนั้นแลเป็นผู้ที่ควรแก่ความเบื่อหน่ายเป็นผู้ควรแก่การสัตรู้เป็นผู้ควรแก่การบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงสุด อย่างสูงเยี่ยมทีนี้คนที่ประกอบด้วยองธรรมอย่างนี้มันมันอยู่สภาพที่ทรงยกออกมาบ่อยนะเหมือนกับแม่ไก่ออกไขนะ่แต่ฟองบ้างสิบฟองบ้างสิงบสองฟองบ้างแล้วแม่ไก่มันโกกดีนะฮะโกดีต่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยลูกไก่ก็จะออกมาเป็นตัวก็เจาะกระฟองไข่ออกมาผลทั้งหลายภายในจิตของมนุษย์ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันเรามีหน้าที่ในการปฏิบัติคล้ายๆกับอาการปลูก การปลูกพืชเนี่ยเป็นหน้าที่ของชาวสวนในการจะออกดอกเมื่อไร่ออกผลเมื่อไร่เนี่ยเป็นหน้าที่ของพืชเพราะงั้นเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ได้ให้ดีก็แล้วกันผลนั้นต้องเกิดแน่นอนเพียงแต่ว่าอย่าหลงทางแล้วก็มีการตรวจสอบดูสภาพจิตเครื่องตัวเองว่าในขณะที่กุศลธรรมคนนี้เนีอ่ะกุศลธรรมที่ตรงกันขา้าวยังมีอยู่หรือไม่ ฉันบอกว่ า, เ, าเรามีเมตตาแต่ว่ า, าพูดอะไรนิดรหน่อยก็โกรธแล้วมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าจิตที่มีเมตตาเนี่ยมันจะมีความอดทนมีการให้อภัยมีการรอคอยแล้วเกิดสงสารต่อคนที่ทำให้เราโกรธเพราะเขากำลังทำบาป เ, าเราก็ไม่ไปเล่นด้วยอยากจะทำก็เป็นเรื่องของเขา มอยู่ในวิสัยจะพูดจาที่แจง้งอธิบายได้ก็ว่าไปมาอยู่ในวิสัยเราก็ไม่พูดจาไม่ที่แจ้งอะไรนี่ก็เป็นหลักการสําคัญในยโตคีละสูตรษ่อซึ่งที่จริงก็ใช้เวลามานานหลายวันเห็นว่าเป็นหลักการที่ถือว่าสําคัญอย่างที่บอกว่าพระสูตรมันก็เหมือนกัน่ะคือเนื้อหาสาระก็เหมือนกันพระสูตรไหนก็ก็กเป็นพูดเรื่องกุศลอกุศลกลางกลางอย่างเงี้ย ต้องฟังทั้งายเสียงธรรมจากหมหาวิทายาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริยนงอกงามไพบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุกการสวัสดี